ทำไมคนมีสมาธิแล้วมาดูกายก็ดูเวทนาเพราะการดูกายก็ดูเวทนาเนี่ยมันต้องใช้จิตที่มีคุณภาพมากหน่อยดูกายให้เกิดสติจริงๆเนี่ยนะดูกายเวลาดูเนี่ยคนทั่วไปจะดูแล้วเห็นอะไรเห็นมือจับไปเนี่ยคือจับมือลองจับมือตัวเองซิทุกคนจับมือรู้สึกยังไงบ้าง มือนิ่มมือแข็งมือเย็นรู้สึก ง, งั้นใช่มแต่คนที่จะมาเจริญสติด้วยการดูกายนะั้นไม่ใช่ดูอย่างนี้ไม่ใช่ดูอย่างนี้นะจับไปเนี่ยธาตุดินหรือธาตุไฟจะสัมผัสถึงธาตุนี้จับไปถ้านิ่มๆจับมือตัวเองเนะี่ยนิ่มไหมท่านนิ่มแสดงว่าธนะาตุดินน้อยจับตรงนี้กระดูกโปนๆเนี่ย ทุกคนมีมือใช่ไหมมาลองจับ <laughs> ตัวนี้แข็งไหมแข็งกว่าเดิมไหมแข็งกว่าแสดงว่าธาตุดินมากกว่าอืยิ่งฟันเนี่ยฟันเนี่ยธาตุดินมากเลยเพราะเป็นกระดูกแข็งดูธาตุดิดนดูว่ามันนิ่มหรือมันอ่อนหรือมันแข็งธาตุดินน้อยจะนิ่มจะอ่อนธาตุดินมากเนี่ยจะแข็งดูอย่างงี้จับปลายมือเย็นไหม เย็นนี่แสดงว่าธาตุไฟน้อยจับที่ตัวอุ่นกว่าไหมถ้าอุดตัวไม่อุ่นก็รักแล้เลย <c oughs> จะอุ่นกว่าปลายมือที่มันเย็นเนี่ยธาตุไฟน้อยตรงนี้เนี่ยธาตุไฟมากกว่าเวลาวัดอุณหภูมิวัดเทอร์โมอมิเตอร์เนี่ยคือวัดธาตุไฟไฟมากก็อุ่นจนร้อนไฟน้อยก็เย็นลงไปเย็นลงไป ธาตุลมธาตุล ม, air, th ไ, มไม่ใช่แอร์ไม่ใช่อากาศเคลื่อนไหวไม่ใช่อากาศแบบแอร์ธาตุลมนี่คือความเคลื่อนไหวตัวแทนของธาตุดินคือความอ่อนหรือความแข็งธาตุลมคือความเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไปเนี <t ari> <t ari> ari> ari> ่ยคือธาตุลมเกิดขึ้นเกรงมือเอาไว้เนี่ยคือธาตุลมน้อยอะไรที่มันไม่เคลื่อนเนี่ยธาตุลมน้อยอะไรที่เคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยธาตุลมมากที่ จะมีสับของแพทย์แผนไทยเรือ่องเลือดลมลมที่มันเคลื่อนไดไ ป, ไปได้เนะี่ยคือธาตุลมเลือดที่มันเคลื่อนไปก็เลยเรียกเลือดลมเลือดลมดีมีการเคลื่อนไหวดีตรงนี้นะธาตุลมดีแต่คนถ้าไม่มีสมาธินะจับไปก็แขนชันมือชันเห็นคนอื่นก็เห็นไม่เห็นรูปอื่นแต่เห็นคนนั่นคนนี้เห็นกระจกตัวเองก็ ใจก็ไหลไปหาในกระจกเลยแล้วเ็าเห็นหน้าตัวเองแล้วก็วันนี้สวยไม่สวยไม่เห็นเป็นธาตุไม่เห็นเป็นกายไม่เห็นเป็นกายนี่แสดงว่าจิตยังไม่มีสมาธิพอที่จะดูไม่มีคุณภาพมากพอเพราะนั้นให้ไปดูอย่างอื่นที่มันเหมาะกับเราคนช่างคิดคนช่างคิดเนี่ยดูดูจะดูกายเป็นกายเนี่ยไม่ดูคนช่างคิดเนี่ยสิ่งที่เขามีอยู่ ต้นทุนของเขานะก็คือว่าความคิดที่มันมีมากมายพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ทิ้งคนเหล่านี้ไม่ได้ว่าสอนเฉพาะคนที่มีสมาธิเท่านั้นคนมีสมาธิเนี่ยจะมาเดินจะมาะจะมาดูกายคนสมัยก่อนมีสมาธิมากเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้ทำกายยคตาสติเคยได้ยินคำนี้ไหมกายยคตาสติจะดูผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมาณกาทัานตาตโจเคยได้ยินไหม นี่คือคนที่เขามีสมาธิจิตก็นิ่งแล้วเนี่ยต้องเอาจิตนั้นมาทำงานให้มันเคลื่อนดูแต่คนคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจิตมันเคลื่อนอยู่แล้วจิตมันทำงานอยู่แล้วนะให้ดูจิตไปเลยแล้วมันยังไม่มีสมาธิด้วยเน่นะให้มาดูกายเป็นกายก็ดูอย่างไม่ได้คุณภาพยังไม่พอนี่เป็นความการุณาของพระพุทธเจ้านะท่านไม่ทิ้งพวกนี้เลยนะพวกนี้คือพวกเรานี่แหละ <laughs> ท่านไม่ทิ้งนะคนช่างคิดท่านก็บอกว่าจเจริญวิปัสสนาได้ดูอะไรดูจิตแต่ดูจิตเนี่ยคำว่าจิตเนี่ยนะท่านสอนกับคนแบบชาวบ้านไม่ได้สอนนักอภิธรรมท่านักอภิธรรมเนี่ยจิตมันจะมีแยกกับเจตสิกใครเรียนอภิธรรมบ้างมีไหมมีไหมไม่มีเลยเหรอท่านนักอภิธรรมเนี่ยจะมี จะมีปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตจิตจะดูมันยังไงจิตแค่เป็นสภาพรู้นี่เราเป็นเรื่องปัญหาที่เรื่องของพวกอภิธรรมที่ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานเนี่ยสอนกับชาวบ้านคำว่าจิตในแง่นี้นะในแง่ที่สอนชาวบ้านก็เหมือนกับพูดกับคนท้ายว่าดูใจดูกายก็ดูใจ อะไรที่เป็นนามธรรมเนี่ยรวมไปอยู่ในใจหมดเลยอันนี้เหมือนกันดูจิตในแง่นี้นะอะไรที่เป็นนามธรรมก็คือยกให้จิตไปหมดเลยส่วนดูไปดูไปแล้วเนี่ยจะเห็นรายละเอียดว่าจิตเนี้ยก็แยกแยะออกไปต่างๆนานามากมายแต่ก่อนที่จะไปแยกแยะมากมายนั้นนะท่านก็ให้ดูแค่ว่าจิตมีราคะว่าให้รู้ว่ามีราคาเกิดขึ้นพอมีสติรู้ราคะแล้วราคาดับอัตโนมัติเลยนะก็ให้รู้ว่าราคานั้นดับ จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะพอมีสติรู้โทสะแล้วโทสะดับให้รู้ว่าโทสะดับด้วยจิตมีโมหะรู้จักโมหะไหมโมหะคือใจลอยไม่รู้ตัวพอรู้ตัวขึ้นมาโมหะก็ดับนี่นะจิตฟุ้งซ่านรู้จักไหมเคยฟุ้งซ่านไหมประจำใช่ไหมฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปแล้วก็หดหูหดหูกูทอถอยทอถอยเช่นว่า เ, เราคงไม่มีวาสนาที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือว่าท้อแท้หรือว่าขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยอยู่ในท้อถอยเหมือนกันสิ่งต่างๆเราเนี่ยเกิดขึ้นเสมอกับคนทั่วๆไปแค่รู้ว่ามันมีเทคนิคนีน้เหมือนกันนะพระเจ้าสอนไว้ให้เราเจริญวิปัสสนาด้วยการดูดูความไม่ดีเราเนี่ยราคะดีไหมไม่ดีโทสะดีหไม่ดีโมหะดีหไม่ดีดดฟุ้งซ่านดีไหมไม่ดี อดหูดีัหยไม่ดีแต่ให้ดูเ่านี้ดูสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้กลายเป็นกลายเป็นเครื่องมือเอ้ไม่ใช่เครื่องมือสิเป็นวัตถุจะว่าวัตถุก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะไปเรียนรู้มันโดยใช้อาศัยเครื่องมือคือสติคือความรู้ตัวรู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นในใจดูดูไปเนี่ยนะแรกๆกแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้น ตอนดูกายเนี่ยดูได้เลยดูกายดูง่ายๆให้ดูอิริยาบถไปก่อนไม่ต้องดูถึงขั้นเป็นธาตุไม่ต้องดูถึงข่านเป็นธา ต, ต, ดาตุดินท่านุน้ำธาตุไฟธาตุลมดูอิริยาบถไปก่อนว่าเห็นกายเนี่ยอยู่ในท่านี่ตอนนี้กายเราอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิบางคนนั่งกอดเขา่าบางคนนั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยเห็นกายอยู่ในท่านี้ตามเป็นจริงในขณะปัจจุบัน